พระธรรมเทศนาแผ่นที่84ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่11มีนาคม2559มีชื่อเรื่องว่าบัณฑิตผู้ฝักไฟออกจากทุกข์ กีในหลวงปู่บุญมาท่านก็เทศหมดแล้วหลวงพ่อจะเอาคำไหนน้ะมาพูดให้ลูกให้หลานคณะฉันาญาติโยมฟังเนาะท่านพูดหมดแล้วอ่ะอขณะที่ฟังเทศฟังธรรมให้ลูกหลานอยู่ในความสงบถ้ามีกล้องถ่ายรูป ก, ก็ถ่ายขณะที่หลวงพ่อกำลังพูด แต่เมื่อตั้งนโมไปแล้วให้หยุดถ่ายถ่ายภาพเพราะว่าแสงแฟลชมันเข้าตาแล้วมันเสียสมาธิในการพูดแล้วก็มันเป็นการเพ่นพ่านสําหรับผู้ที่ตั้งใจฟังเดินมุมนั้นมุมนี้ทําให้ผู้ที่ฟังเทศเสียเสียสมาธิในการฟังเหมือนกัน เพราะนั้นเรามาคราวนี้มาครั้งนี้เนี่ยเรามาฟังถ้าหากว่าผู้ใดมีโทรศัพท์ก็ให้ปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนในช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงรับโทรศัพท์ถ้าหากว่ามันดังขึ้นก็ให้ออกไปพูดพูดคุยกันข้างนอกอ่เพราะตรงนี้อ่าเป็นตรงที่ฟังธรรมอย่างเมื่อกี้นี่อ่ก็กล่าวอัินาฟัง ผมมาจ้าโลกาเพราะนั้นหลวงพ่อกล่าวให้นิมนต์หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมเพราะนั้นหลวงพ่อจึงมีสิทธิ์ที่จะบอกกล่าวพระนสทา ญ, ญาทโยว่าตรงนี้เป็นตรงฟังธรรมไม่ใช่คุยกันไม่ใช่รับโทรศัพท์ไม่ใช่สถานที่ถ่ายรูปให้ฟังซะก่อนผู้ฟังจ่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง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 เมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนำมาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลก็เกิดปัญญาที่แท้จริงอันนี้เราว่ดภาวนามย์ปัญญาสรุปแล้วก็ที่ยกเป็นพุทธภาษีว่า ส, สุสังลัสะเตปัญญงผู้ฟังด้วยดีผู้ตั้งใจฟังจ่อมได้ปัญญาแต่ถ้าว่าไม่ตั้งใจฟังฟังแล้วก็คุยกันไปด้วย ฟังแล้วก็ดูโทรศัพท์ดูโทรศัพท์ไปด้วยดูโทรศัพท์ของเราน่ยมันดูมาจังหนมนานแล้วดูทั้งวีทั้งวันช่วงนี้เป็นช่วงปล่อยเป็นช่วงที่ฟังพระสงฆ์ท่านจะอธิบายธรรมะข้อไหนให้กับพวกเราฟังสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านมาสถานที่นี้มาฟังเราอยู่ในบ้านของเรา365ร้อยหกสวันเรากดฟังทำอะไรบ้าง แต่บัตรนี้หาโอกาสอย่างนี้หาได้ยากวันนี้เป็นวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2559วันนี้เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลทางสิทธาอนุสิท์ได้มีจิตศรัทธาร่วมกัน จัดงานมุทมิธามทิตาจิตศักการะอายุวัฒนะมงคลครบ80ปีของหลวงปู่ไทยสิริท่โรเพื่อแสดงการกระตันยูแสดงความกระตันยูกตะเวทิตาคุณและน้อมถวายเป็นอาจารยอาจารยาบูชา นวัดเขาใหญ่ยานสัมปันโนต่อโปอง่งโป่งตาคองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคือวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งคณะสัา ญ, ญาติโยมลูกหลานที่ได้มาร่วมกันแสดงออกถึงมุกที่ตาสักการะคารวะในองค์หลวงปู่ของพวกเรา ฝั่งเราที่อายุหลวงปู่ของเรา80ปีปีนี้ถือว่าเป็นปีมงคลมาหามงคลอย่างยิ่งเพราะนั้นพวกเราทุ ก, กท่านมาถึงแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ น, น้อมลำลึกถวายเป็นอาจารยระยะบูชาน้อมจิตน้อมใจเพื่อบูชาพระุณองหลวงปู่ของพวกเราเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับตัวของพวกเราท่านทั้งหลายด้วยนะ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 ปูชาจะปูชนียานยานงขยะวยะธรรมมาสงคาราอัปมาเดนะสัมปาเดทตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่พวกเราสกนสิทธิานุสิทธิ์ทั้งฝ่ายบรรพชิตครูบาอาจารย์ตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มารวมกันณนะวัดของหลวงปู่ของเราณนะสถานที่แห่งนี้ปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวคือเป็นวันแสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะคือวันเกิดขององค์หลวงปู่แต่ปีนี้หลวงปู่ของเราก็อายุแปดสิบปีนะับว่าเป็นร่อมพอร่อมใจเป็นปูชนียะบุคคลเป็นปูชนียะ ของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นบุคคลที่น่าเคารพกราบไหว้สักการะเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นไม่ต้องบรรยายแต่พร้อมกันเจ้าก่อนท่านก็อยู่นูน่นอยู่ภูลังกาภูสิงห์ภูวัวภูทอกถ้ำพระอยู่เขตอำเภอเชการหนองคาย เบื้งการแต่ดงตามหาบัวของเราท่านคงจะมองไกลดวงตามหาบัวของเรามองไกลท่านฟ้าเห็นว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยจะเป็นหลักเป็นหลักยึดทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนท่านจึงได้รับที่ดินแปลงนี้ที่เขาใหญ่ท่านก็มองคงจะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองทุก สารทิศท่านก็มองเห็นหลวงปูของเราเนี่ยที่จะเป็นหลักของพี่น้องหลักใจของพี่น้องประชาชนท่านจึงได้ให้หลวงปูของเรามาสร้างวัดแห่งนี้ตามม่จิงหลวงตาที่ท่านไม่ให้ท่านจะไม่มอบให้ใครง่ายๆนะโดยมากที่จะไปสร้างวัดเนี่ยหลบพ่อเองไปไม่ใช่หลวงตามอบนะ หลวงพ่อเองเป็นคนไปจับยึดแล้วก็ท่านก็ส่งเสริมเท่านั้นเองแต่นี้เป็นเรื่องวัดนี้เป็นหลวงตาเป็นผู้รับจากนั้นท่านก็นิมนต์ของหลวงปู่ของเราเมาปักหลักหรือมาก่อสร้างวัดขึ้นมาท่านคงจะมองไกล เ, เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางทางมาทางภาคกลางก็ไม่ไกลนักมาจากกรุงเทพเมาจากทางภาค อีสานออกมาได้ทุกสารทศถ้ามองเราดูในภูมิทัศน์ภูมิประเทศแล้วทางอุบลทางสุรินทร์บุรีรัมเข้ามาทางนี้ก็ได้ทางเพชรบูรณ์ทางขอนแก่นมัธนิกรได้แล้วก็ทางอุดรยุธยาทางปากช่องทางละยองทางจันทบุรี เข้ามาก็เป็นแหล่งถ้าเราคิดดูแล้วเป็นสมรภูมิหรือว่าเป็นชัยภูมิที่ดีที่หลงตานิมนต์ของลงปู่ของเรามาเป็นหลักตรงนี้ท่านก็ได้มาแล้วก็ได้เป็นหลักจริงๆแล้วท่านก็ไปโปรดญาติโยมทุกสารทิศในทุกหัวละแหง่งที่ท่านพอที่จะเป็นไปได้เพวัะนั้นถือว่าพวกเราคณนะศรัทธาญาติโยมลูกหลาน ที่มาทำบุญด้วยมาร่วมทำบุญในต่างกรามต่างวาระ เ, เมื่อไม่ใช่งานวันเกิดของหลวงปู่แต่พวกเราก็มาร่วมงานในมาฟังธรรมเทศนาของท่านหรือเราได้นิมนพระองค์องค์ท่านไปแสดงธรรมเทศนาในสถานที่ต่างๆก็บ่อยครั้งเอพราะนั้นถือว่าพวกเราเป็นผู้โชคดี เป็นผู้มีบุญที่องค์หลวงตามหาบัวท่านได้ให้หลวงปู่มาปักมาปักหลักอยู่ตรงนี้แล้วก็ท่านก็ได้ปักหลักจริงๆและพี่น้องประชาชนอย่างวันนี้ล่ะพวกเราเห็นก็ไม่คาดคิดล้นหลามทั้งฝ่ายพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็ให้ความเคารพให้ความยินดีทั้งฝ่ายผู้น้อยที่มีอายุพรรษาน้อยกว่าก็ให้ความเคารพสักการะ ได้มากราบหลว ง, งปู่ของพวกเราหลวงปู่ของเราก็เป็นปุชนียบุคคลที่ท่านปฏิบัติตีปฏิบัติชอบเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่ฟั่นแล้วก็ครูบาอาจารย์จนอายุถึงปุน่นีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุถาดเราพวกเราท่านทั้งหลายที่ลงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาสิทธิทีว่า บัณฑิตานั่นจะเสวนาให้ครบบัณฑิตนักปราชญ์นี่แหละองค์หลวงปู่ของเราถ้าจะว่าบัณฑิตนักปราชญ์ส่วนหนึ่งแต่บัณฑิตนักปราชญ์มีหลายระดับระดับคืออย่างหลวงปู่นี่ก็เป็นระดับหนึ่งั่บัณฑิตานั่นจะเสวนาแล้วกัณ บ, บ, บระดับที่ว่าหลายระดับคืออะไรคือศินห้า ศินห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือบัณฑิตนักปราชญ์อันนี้ก็ควรจะเข้าไปคบค้าสมาคมควรจะนำสินห้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติในตนเองอันนี้ครื่อบัณฑิตศินแปดบัณฑิตริยสัตว์สี่บัณฑิตเออทกสมุทัยนิโรธมักแปดก็คือบัณฑิตสรุปแล้วก็คือพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าแปดหมืสี่พันพระธรรมมขันธ์ คือบัณฑิตนักปราชัยพวกเรานำจุดไหนตรงไหนนำมาประพฤติปฏิบัติล้วนแล้วจะเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งให้พวกเราเข้าไปคบค้าสมาคมกับบัณฑิตนักปราชัยคือศีลคือศีลและวินยัยเรือว่าพระธรรมแปดหมี่พพระธรร ม, มขันอันนี้แปลว่าบัณฑิตานั้นจะเสวนาควรจะเข้าไปคบบัณฑิตนักปราชัย แล้วก็บูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างองหลวงปู่ของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมาท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นจากนั้นก็เป็นที่ยอมรับขององค์หลวงตาที่พวกเราเคารพรักในองค์หลวงตาที่เป็น ประมาจาย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านขอมอบให้หลวงปู่อุทัยของพวกเราเมาปักหลักอยู่ตรงนี้ เ, เพื่อให้เป็นหลักจิตหลักใจของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นขอให้พวกเราเท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อบรรยายกล่าวมานี่กเ็เป็นแนวทางหรืเป็นแนวความคิดเรือว่าเป็นแนวที่พวกเราจะต้องมองว่าหลวงพ่อ ไม่ได้คิดว่าหลวงพ่อพูดผิดนะหลวงพ่อมั่นใจว่าพูดออกไปในด้วยความจริงจังและจริงใจ เ, เป็นเรื่องจริงที่พวกเราเได้เข้ามากราบมาไหว้แต่ถึงอย่างไรก็ตามหลวงปู่ของเราท่านสอนอย่างไรท่านสอนอย่างไรท่านสอนธรรมะท่านก็สอนแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายขององค์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะนา ทำคำสอนที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาการที่จะศึกษานั้นหลงพ่อก็เองค่จะยึดตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเดียวพวกลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมก็คงจะเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรานำมาประพฤติปฏิบัติผมพ่อก็เลยโน้มโน้มน้าวหรือว่าเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกระจกเงา เออเป็นกระจกใบบานใหญ่บานหนึ่งแล้วก็นำพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นกระจกเงาอีกบานที่สองจากนั้นก็นำครูบาอาจารย์ที่นำมาประพฤติปฏิบัติให้พวกเราท่านทั้งหลายเหตุในปัจจุบันเออเป็นกระจกกระจกเงาบานที่สามเออเพราะนั้นกระจกเบาประจกเงาบานที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ครองกรุงกบิลพัทเป็นพระเจ้าแผ่นดิน อายุถึงเยาว29ปีท่านมีแต่งงานามีอคาเมเหสีและก็มีบุตรจากนั้นพระองค์มองเห็นแล้วว่าถ้าจะอยู่ต่อไปอีกก็คงจะมีแต่แก่เจ็บตายอย่างที่หลวงปู่บุญมาที่ท่านพูดนั่นแหละคงจะไม่มีไม่เกินกว่านั้นถึงจะอยู่ไปก็คืออยู่ปัจจุบันนันก็คืออนาคตก็คงจะเป็นอย่างปัจจุบัน และก็คงจะแก่ไปเรื่อยๆจนถึงจุดจบของชีวิตท่านมองเห็นแล้วท่านก็ไม่มองเห็นอย่างอื่นถ้าถืออยู่อย่างนี้ต่อไปก็คงจะเป็นอย่างปู่ย่าตายายที่ท่านครองราชสมบัติมาแล้วก็ไม่มีองค์ไหนเอาไปด้วยมีแต่ทิ้งไว้ทุกคนทิ้งเป็นทอดๆจนถึงพระ อ, องค์ท่านแต่พระเจ้าสุโธธนะพระบิดา แล้วก็อายุมากแล้วก็คงจะอีกแม่นานคงจะทิ้งให้พระองค์พระองค์ก็คงจะรับไปทว่าองค์ครองราชแล้วก็คงจะทิ้งให้อาราชสมุด ต, ต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเพราะหลายชั่วโคตรแล้วที่ครองราชมาพระองค์มองเห็นทําไมจึงเป็นอย่างนี้เอทําไมเห็นอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนี้แล้วก็เห็นคนแก่อีกต่างหากที่นในขณะที่ครองราชสมบัติ แต่ก่อนหน้านี้ท่านไม่เห็นแล้วคนแก่พระเจ้าสุโทธทนะไม่ให้เห็นเพราะเหไรเพราะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมีกฎบนเทียนบานถ้าพระเจ้าสิทธัตถะจะเสด็จไปที่หนังไหนให้มีต้นอ้อยต้นกล้วยให้กลางสแลนให้มีประดับดอกไม้เท่านั้นคนที่ไม่พึงปรานาอย่าเข้ามาเพ่งผ่านเห็นแต่ของสวยงามคงจะลักษณะอย่างนั้น วันนั้นเวลาพระ อ, องค์จะเด็ิไปณสถานที่ใดเห็นแต่เศียดของเสร็จสวยงดงามแต่นี้พอพระ อ, องค์นางพิมพายโสธราท้องแก่ท้องใหญ่แล้วทีนี้พร้อมที่จะคลอดบุตรแล้วพระเจ้าจุโทธนาก็คงจะวางใจเรื่องว่าชราใจและเออนะคงจะติดโลกละทีนี้คงจะไม่คิดไปทางไหนละเพราะว่าตอนที่สิทธัตถะเกิดมาใหม่เพราะโห พวกโขนพวกลือศรีที่รักเคารพในยุคสมัยนั้นเขาก็ทํานายว่าเด็กคนนี้ศรัทธาเนี่ยเด็กคนนี้ที่เกิดมาเนี่ยถ้าหากว่าครองราชต่อไปภายภาคหน้าจะได้ครองราชจะเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นต้นาศาสนาต้นาศาสนาหนึ่งใหญ่ที่สุดในโลกาศาสนาหนึ่ง แต่นี้พระเจ้าสุดโทธนาเน่เขาว่าศาสนานี่ในยุคสมัยนั้นมีทั้งชื่อฤาษีชีภัยมีทั้งชีปงชีเปืยมีมากมายอย่างพวกเราเห็นอย่างอินเดียทุกวันเนี่ยพระเจ้าสุดโทธนาก็ไม่ปรารถนาอยากจะเห็นอยากจะเห็นที่เป็นวันนักโทษนักบวชนันอยากจะเห็นเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเท่านั้นเพระาะนั้นท่านจึงธนุถนอมลูกชายของท่านคือไป คือศิท ธ, ธิฐานเนี่ยให้ครองราชให้ติดอยู่ในโลกไม่ให้หนีอยากจะให้ครองราช ส, สมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินที่นี้แหละเพราะนั้นท่านจึงปะคปรองงบดูแลรักษาศิท ธ, ธิเหมือนกับเพชรไข่ในหินลักษณะอย่างนั้นแหละพอต่อมาที่นี่พออายุมากขึ้นมาแล้วอายุยี่สิบเก้าปีพิมพายโสธราก็ มีขันแก่แล้วนมีพระขันแก่แล้วจะนี่เอาคงจะอยู่ละมั้งทีนี้พระเจ้าจุดโทธนาก็ปล่อยพอปล่อยเข้ามากับสเสด็จไปตาม อ, อ, อัธยาศัยบ้านเมืองเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นฮตอนนี้พระ อ, องค์ก็สเสด็จกับนายฉันะนั่งนั่งรถม้าราชรถไปเพื่อจะไปชมสวนอุทยานพอไปวันแรกก็ไปเห็นคนแก่ เ, เดินผ่าน ใส่ไม้เท้าหลังคอมแล้วลกกับผมขาวฟันไม่มีอีกต่างหากหนังเหี่ยวยน่นท่านไม่เคยเห็นมาก่อนทิศธราวันนี้เป็นเป็นอะไรช น, นะนี่คืออะไรทำไมไม่เหมือนคนแต่คนทำไมไม่เหมือนคนชันหน้าเขาบอกว่าอันนี้คนแก่พระเจ้าค่าะทำไมแก่คนเกิดมาถ้าไม่ตายง่ายก็แก่อย่างนี้เราพระเจ้าค่ะ เราจะแก่ไหมเนี่ยไม่ไม่เว้นครับแก่เหมือนกันพระเจ้าค่ะทำไมตายง่ายโอ้จะหาความสุขได้อย่างไรถ้าเห็นถ้ามันแก่อย่างนี้เห็นไหมมันดูแลจะหาความสุขไม่ได้นะแก่อย่างนี้โอ้น่าสลดสังเวชใจมากไปไปไ ป, ไปกับกับเพียงหวังคล้ายคร้ายพองเห็นคนแก่เพียงแค่นั้นละ่ะสลดใจว่าทำไมทาไมแก่อพอต่อมาอีก เคสไม่ตกอีกเหมือนกันไม่รู้จะแก้ไขยังไงเอคิดจะหาไม่ให้แก่พอต่อไม้อาปะไปช น, นะไปชมอุทยานอีกพอไปคราวนี่ไปเห็นคนเก็บแต่เนี่ยเข้าหามาชักดิ่นชักงอนในเปร์แล้วก็ถามเอนั้นคือคืออะไรเอช น, นะคนเก็บพระเจ้าค่ะคนเก็บคนไข้ทําไมคนยังเก็บยังไข้ทุกคนมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยพระเจ้าค่ะเราล่ะ พระ อ, องค์ก็ไม่เว้นเหมือนกันอีกสักวันก็คงจะเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยจะหาความสุขได้อย่างไรน่มองเห็นปะป ะ, ป ะ, ปะกับแน่กับเวียงวังอีกไปคิดอีกคิดหาวิธีการว่าจะทำยังไงจะไม่เจ็บไม่ป่วยพระนเรศก็คิดไม่ออกเหมือนกันแนแต่นั่นก็วันที่สามก็ไปอีกถึงไปข่าวนี่เห็นแต่คนตายเขาหามใส่เป์ผ่านไปแคงจะ มัดเทนีกอ น, นั่นแนหะคงจะมัดไม่ดีเท่าไหร่มั้งคงจะเห็นเออเห็นบางไม่เห็นบางอันนั้นเป็นอะไรชนะคนตายอ่ะทําไมคนตายทุกคนต้องตายทั้งหมดพอได้ยินว่าคนตายทั้งหมดแล้นั่นสิทธะโอ้โหจะหาความสุขได้อย่างไรเมื่อคนตายใช่ปู่ย่าตา ย, ายายก็ตายไปเออหมดแล้วนี่ทิ้งมากันเป็นทอดๆเรื่องสมบัติตอนนี้ท่านก็เออเอาไป พอไปท่านก็ไปทั้งกลับมาอีกนะพอกลับมาข่าวนี้อีกพอไปครั้งที่สี่เนี่ยพอไปไปเห็นส ม, มณะคือนักพรดนักบวชสัมมณะคือนักพลดท่านไปนั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้ต้นไม้อยู่ตามลําพังอยู่นั่งขัดสมาธิแล้วก็สำรวมนั่งนิ่งท่านก็นั่งรถไปผ่านท่านก็มองเห็นอันนั้นเป็นใคร นะอันนั้นคือสมณะคือนักพลดนักปวดเขานั่งเพ่งพินิษหาอันใดอันหนึ่งในสิ่งที่เขาต้องการเขากำลังนั่งคิดหาค้นคิดหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการชิตาถาได้ยินเพียงแค่นั้นอื้ใช่ถ้าเรานาทาอย่างสมณะท่านนี้ออกไปค้นคิดอย่างสมมณะท่านนี้คงจะมีช่องทาง คงจะหาทางออกได้แต่ถ้าเราอยู่ในเวียงวังไม่มีโอกาสเพราะภาระธุระของเรามีมากเหลือเกินไม่รู้ว่าทามาค้า ข, า, ขายไม่รู้ว่าหาเลีเ้ยงบริษัทบริวารค่าลบตบศึกต่างประเทศเข้ามารักษาปกป้องประเทศตำรวจทหารคนในบ้านเมืองมีมากมาเหลือเกินที่เราจะต้องดูแลคนในเมืองคงไม่มีโอกาสถ้าเรามานั่งอยู่อย่างเน้น คงจะมีโอกาสจากนั้นท่านก็เสด็จเข้าไปในสวนอุทยานออพออุฒยานเสร็จเรียบร้อยพอกลับมาก็ทราบว่านางพิมพายะโสธราได้คลอดพระโอรสหรือพระราหุลประสูตรพระราหุลจากนั้นก็ดีพระไทยขึ้นมาโอ้โหดีอกดีใจพราได้ลูกแต่พร้อมกันมาคิดขึ้นมาอีกโอ้อันนี้คือ เป็นภาระเออเป็นพันธะเป็นเครื่องผูกพันสําหรับเราต่อไปภายภาคหน้าแล้วลงคงถ้าอยู่ไปคงจะหนีไม่ออกล่ะทีมันเครื่องตัวนี้แหละเออเป็นเชือกเครื่องพันธนาการเออท่านจึงตั้งชื่อว่าลาหุนะราหุนะไปว่า เ, เครื่องผูกพันพระหุ่นเออจากนั้นท่านจึงวางแผนหนีออกไปบวช ออย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้เห็นเ อ, อจากนั้นก็ น, นีออกไปบวชออกจากเวียงวังกลางคืนไปกับนายชนะสามชีวิตคือม้าขันตะกะกับนายชนะกับพร้อมกับสิท ธ, ธัตถะหนีออกจากเวียงวังจากนั้นท่านก็ไปบวชเ อ, อเป็นนักพรตนัก บ, บวดอย่างที่ว่าจากนั้นพระองค์ก็อยู่ป่าตามลําพัง กระสัตริย์ไปอยู่ป่าพวกเราคิดดูสิพระเจ้าแผ่นดินหนีออกจากเวียงวังแล้วไปบินทาบาทฉันอาหารการบริโภคการที่รับที่นอนที่พักพาอาศัยใครจะเป็นดูไปแลให้ไม่มีท่านเหมือนกระทานักตนเป็นนักบวชใช้ชีวิตแบบนักบวชเป็นเวลาทั้งหปีคนคว้าศึกษาลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดในการบาเพ็ญ จนถึงวันเดือนหกเพนพระองค์ได้ตัดสรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนั้นอันนี้แหละจุดนี้แหละไอ้ตอนที่ลองผิดลองถูกพวกเราเอา่อมีแต่ฟังศึกษาไว้เท่านั้นเองแต่คืนวันที่ได้ตัดสรู้ น, นท่านทำอย่างไรจุดนี้เราต้องใส่ใจสนใจต้องฟังให้เข้าใจพระองค์ในวันนั้นวันเดือนหกเพนพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินไม่อัสดง เพราะเกี่ยวกับพอาทิตย์ยังมีแสงสว่างอยู่นายโสติยะได้นาําญ้าขาผ่านมาหาบญ้าคาผ่านมาเห็นศิทธิฐานนั่งอยู่ตามลําพังค ง, งจะไม่สะดวกเพราะรา่างต้นโพที่มันลอยขึ้นมากระปุมกระปํานั่งไม่สบายเห็นกเกิดศรัทธาเ อ, อถ้าเราควรจะเอายาคาไปให้ท่านปูนั่งเขาเลยเอาญ้าคาเข้าไปถวายท่าน ข่างละสี่กำมือใครๆบอกหาบเข้ามาเนี่ยหาบข้างละสี่กำจากนั้นก็สิทธิฐานท่านก็ได้ยาคามาจากนายโสธิยาท่านก็หาทำเลที่นั่งท่านก็มองหาได้ทำเลทางทิศตะวันออกของต้นโพจากนั้นท่านก็เอายาคาสี่กำมือเกลี่ยลงไปแล้วกระไรอีกสี่กำมือเกลี่ยรประสานกันจากนั้นท่านก็ขึ้นไปนั่งเมื่อประสานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอาชนะแล้ว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 ท่านไม่ได้ว่ายุอบเนาะปองเนอะท่านไม่ได้ว่าพูดโทท่านไม่ไดทไ้ทําอะไรท่านไม่ได้กําหนดดวงแก้วนะคือกรรมฐานของพุทธเจ้าบรมครูที่ท่านทําอย่างนี้นะ<อ>กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพัทน์ใจของพระ อ, องค์เมื่อพระ อ, องค์ไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกสติอยู่กับทิพย จุดติอยู่ที่ปลายจมูกความรู้สึกนึกคิดอยู่ที่ปลายจมูกไม่ให้ออกไปทางนอกจากนั้นพระหายใจของพงรวมสงบโรงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศน์เกิดญาณทัศ น, นาเกิดฌานความรู้ความรู้พิเศษขึ้นมาจะว่าปุเพนิวะสานุสติยานลึกลำลึกชาติผนหลังได้เอกลักของพุทธศาสนาพวกเราฟังเอาไว้ตายแล้วไม่สูงเพราะอะไร ถ้าตายแล้วสูดตายแล้วไม่เกิดอีกพระพุทธเจ้าจะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไรนี่แหละให้พวกเราฟังเอาไว้วัดหลักของพุทธศาสนาเนี่ยบุพเพนิวาสานุจติญาณระลึกชาติผลหลังได้พอถกถึงเที่ยงคืนนั่งไปอีกพระองค์เอได้ญาณรัตนะที่สองคือว่าจุตูปะปาตยานการจุติและการเกิดการตายของสรรพจักรทั้งหลายเกิดมาในโลกในเวียนว่ายตายเกิดเอ ทงทงต่ํา่ำลุ่มลุมรอนรเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉันช้างมา้าโวค ว, วายหมูหมาเป็ดไก่เป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ก็นะทางบางคนก่อทุก์บางคนก่อจนขี่ไล่ขี่เลอวั ย, ยวะเอ่อพิกลพิการเป็นบ้าใบก็มีมากต่อมากเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที่มันจะเสมอกันไม่ใช่เออมันมนุษย์ขนาดมนุษย์ก็ยังแปลกแตกต่างกันไม่ต้องพูดถึงสัตว์ที่ไรฉัน แต่ร่างจก็แักแปกๆ แ, แต่เหมือนกับเหมือนมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์เจ้วเอ๋ทาไมเกิดมาเป็นคนเหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันพระ อ, องค์ก็มองดูดวงวิญญาณดวงนั้นล่ะที่มาเกิดเนี่ยนะแต่ละคนเลยดูย้อนหลังไปที่ด้วยว่าทําไมเขาจึงเป็นอย่างนี้ทําไมเขาจึงเป็นบ้าเขาทําไมจึงเป็นของพิโกลพิการทําไมเขาจึงยากจนทําไมเขาจึงรวย ทําไมเขาจึงมีสติปัญญาทําไมเขาจึงโง่พ้อมองดูแล้วมองเทนว่าโอ้กรรมกรรมในอดีตของเขาที่เขากระทามาการทํากรรมทําได้สามทางมั่นโงกรรมคือคิดชั่วการยกรรมคือทําชั่วไหวจีกรรมคือพูดชั่วถ้าถ้าเขาทํากรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลคนเขานั้นจะเรือดร้อนจะเป็นทุกข์ จะไม่สมความมุ่งมา่นปราถนาแต่ถ้าผู้ใด ค, คิดดีทำดีพูดดีคนนั้นไปเกิดก็เป็นผู้มีติเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ร่ำรวยสวยงามเพราะเหตุใดเพราะการกระทำกรรมของเขาเขาทำกรรมดีในเมื่อทำกรรมดีกรรมดีให้ผลเขาจะมีแต่ความสุขกายสุขใจมีแต่ความสุขความเจริญแต่ถ้าเขาทากรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลเขาจะมีแต่ความทุกข์ เพราะนั้นในโอวาทปฏิโมกของพระพุธทธเจ้าจึงตรัสทั้งตรัสว่าอากะตะังทุกตะตังเส้ยโยปัชชาตปฏิทุกตะตังกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังพวกเราฟังเอาไว้อันนี้แหละคือกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จุตูปปาตยานที่โครธต้นโพ เมือ่อเมื่อตอนเทีย่ยงคืนจากนั้นพอจวนสว่างท่านกดดูว่าใจตรงนี้มาจากไหนทําไมจึงเวียนไหวตายเกิดในวัตะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดไม่ที่ไม่มีที่จบสิ้นเวียนไหวตายเกิดมาโดยตลอดมันมีอะไรท่านก็มองดูมองดูมันเกิดมาจากไหนใจตรงนี้ท่านก็ย้อนดูไปหาความเกิดของใจใจมันเกิดมาจากไหนท่านก็มองดูไปเห็นไปถึงตัวอวิชชา อวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจะยาวิญญาณังวิญญาณปัจจะยานามารูปังจนถึงโสกะปริเทวทุกขโทมณจุการร้องให้พิไรรำพันอันนี้นคือปลายเหตุแต่มันมาเกิดมาจากตัววิชชาคือตัวไม่รู้คือตัวโง่นีแต่ได้พระองค์คอดูแล้วว่าตัวตัวนีนะ้ใจดวงนี้มันเกิดมาอย่างนี้แล้วจะทําวิจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ท่านก็มองดูว่าอืใจตรงนี้มันเต็มไปด้วยกิเลสกิเลสคือราคะโทสะโมหะราคะคือความกำลัดกินดีโทสะคือความโมโหโกรธาโทสะโมหะคือความรุ่มหลงมัวเมาว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายในโลกหลงรุ่มรุ่มหล ง, ล ง, ล ง, ล ง, ลงในการเป็นอยู่ของตนเองอันนี้เรียกว่ากิเลสในหัวใจของพระพุทธองค์จากนั้นพระองค์ก็ใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญา ศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิคือความตั้งใจมั่นคือมีจิตใจที่เป็นสมาธิจากนั้นกับกันกรองด้วยปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาขี้คลายดูถอดถอนกิเลสภายในใจภายในพัทธัยของโผงในใจของโผงเออจว่ามักแปดไปชำระใจจนใจพัทธัยของโผงรู้แจ้งเห็นจริงได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพธิ์ในวันเดือนครบเป็น ตอนจวนสว่างในวันเดือนบวกเพนนั้นนี่แหละพระพุทธองค์ได้ยานรัตนะได้ยานสามอย่างคือปุเพนิวาสานุจติญาณจุกตูปะปาตญาณอาสาวกทะยาณ น, นี่แหละอันนี้คือพุทธคือกระจกกระจกเงาบานใหญ่กระจกเงาบานที่สองก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราทีนี้ที่พวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติหลวงปู่มั่นูหลวงปู่เสาของเรา ท่านแนะนําสั่งสอนหลวงปูฟั่นหลวงปูแทศหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวหลวงปูล่าเอ่อหลวงปู่แหวนหลวงปูต่างๆเออที่เป็นสิทธ์ญาณุสิทธิ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจหลวงปูมั่นท่านสอนอย่างไรท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าเราตัวเฉพาะอย่างยิ่งเออหลวงพ่อศึกษากับองคหลวงตากระหลวงปูล่านะหลวงตามหาบัวเนี่ยเมื่อท่านจะจบจบเรียนหนังสือมา ได้เป็นมหามาใหม่แล้วก็เข้าไปศึกษากับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็บอกว่ามหาท่านเรียนมาเนเอได้เป็นมหาแปลว่าความรู้ความฉลาดของท่านเนี่ยมากมายแต่ผมไม่ได้ประมาทนะแต่ความรู้เหล่านั้นท่านอย่านำมาใช้ในขณะที่มาปฏิบัติท่านจะสับสน ท่านให้เก็บไว้ก่อนเอาใส่ตู้แล้วปิดกุญแจไว้ก่อนอย่านำมาอย่านำมาเปรียบเทียบกับการประพฤติปฏิบัติของท่านในขณะนี้ท่านมาภาวนาอย่าทำอย่างอื่นไม่ต้องคิดอย่างอื่นเออทำความรู้เหล่านั้นจนกว่าท่านได้เออรู้อ่านรู้ทำแล้วมันจะหลั่งไหลออกมาท่านจะได้เปรียบเทียบท่านจะเป็นผู้แตกฉานต่อภายหลัง แต่เดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้มีแต่ยุ่งเหยิงวุ่นวายท่านจะนํามาใ ห, ให้ฟังเราจะผมจะสอนจากนั้นหลวงปู่มั่นก็ให้หลวงปู่หลวงตามหาบวชให้ภาวนาแล้วถ้ า, าว่าภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างพระพุทธเจ้ามันหลงลืมหลงส้นได้ง่ายหลงเงื่อนได้ง่ายนะให้บริกรรมสำทับกับพุทโธเข้าด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโท อันนีก้ก็คือเป็นความเป็นมาของพุพทธโธนี่แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเราเนี่ยหลวงปู่สาของพวกเราหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านให้ภาวานาพุทโธเนีเพราะสาเหตุนี่แหละจากนั้นท่านก็สอนให้หลวงตามหาบวชภาวนาพุทธโธเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราจะเป็นองค์ไหนก็ตามที่เป็นสิทธิ์ยาวนิสิ์ของหลวงปู่มั่นแล้วท่านจะบอกว่าเออครูบาอาจารย์สอนให้ภาวานาพุทโธเนะ หายใจเข้าพุทหายใจออกโถนี่แหละจากนั้นลงตามหาบัวท่านก็ยอมรับท่านบอกว่าเออทีแรกต่อก่อนหน้านี้เนี่ยท่านกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าอย่างพระพุทธเจ้ากําหนดท่านบอกว่ามันหลงลืมได้ง่ายจริงๆแต่ตอนี้พอได้รับคําสัง่งได้รับคําสัง่งคําสอนจากหลวงปู่มั่นไหวภาวนาพุทโถเอาเถอะเราจะไม่ให้มันเผลอบัดเนี่เออท่านว่าเนี่ยเวลาก้าวเดินไป ขาขวาพุทธขาซ้ายโถถ้าเวลานั่งกำหนดลมหายใจข้อพุทธหายใจออกโถเวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโถคือให้มีสติสัมปชัญญะในทุกเรียบทเว้นเสียตลับในขณะที่ประพฤติปฏิบัติท่านบอกว่าวันแรกโอ้โหมันสู้กับความนึกคิดเพราะมนุษย์ความนึกความคิดตรงนี้นะ่ะมันติดพบติดชาติมาม า, มากต่อมากไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติ แต่ถ้าเรามาบังคับให้มันอยู่เออมันอยู่ได้ยากเอวันแรกเหมือนอกจะแตกทันวันนะวันที่สองโอ้โหไม่แพ้วกับวันก่อนพอวันที่สามเข้ามารู้สึกเบาเบาขึ้นจิติทันพอถึงวันที่สี่เนี่ยยิ่งเออทันเลยทีเดียเออจิติทันทันตัวผู้รู้จากนั้นก็พอรู้แล้วดูใจของตัวเองเออเขาวนี่ จิตทันนะติตกระทันิทันตัวผู้รู้ะไสิไม่เผลออะไรสินี่นี่แหละต่อมาถ้ากระดูใจของท่านจนมั่นแก่าตั้งแต่บัดนี้ไปความเสื่อมจะไม่มีอีกแล้วในสมาธิของเราเพราะมันแน่นแล้วเกินนี่แหละคือความเป็นมาขององค์หลวงตาอันนี้พวกเราลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานทั้งหลายฟังเอาไว้ว่าวิธีการปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา ท่านปฏิบัติอย่างไรจากนั้นท่านก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเออสติของท่านเข้มแข็งสมาธิของท่านแน่นหนาติดในสมาธิอีกต่างหากเออท่านบอกว่าสมาธิขององค์ท่านเนี่ยนะเออนั่งตลอดทั้งคืนได้เอเวลานั่งสมาธิแต่ท่านบอกว่าบางวันถ้าอากาศเอ่อดีๆอากาศเย็นๆหรือว่ามีฝนตกพรำๆอากาศเย็นๆ วันนั้นละนั่งสมาธิได้ดีมากเออมันไม่ร้อนแต่อุตุอุตุนี่ก็สำคัญนะถ้าอุตุร้อนอากาศอุดอบอบอ้อออาวเนี่ยนั่งภาวนาเนี่ยใจจะไม่มันจะสงบลงได้ยากแต่สงบอยู่มันจะได้ยากแต่มากระถอนแล้วอีกต่างหากเนะี่ยแต่วันนั้นอากาศดีๆนะโอ้เจาสติจับตัวไหนมันอยู่เน่งเลยนี่แหละออันนี้คือสติสัมเอ่อสติอยู่กับตัวเอง อุตส่า ป, ปายะนะแต่ท่านบอกว่าท่านนั่งภาวนาตลอดทั้งคืนเออแล้วก็ตอนเช้าออกมาแต่วันแรกครั้งแรกท่านนั่งภาวนาพอนั่งภาวนาเอาเถอะข้าพเจ้าจะนั่งทั้งคืนคืนนี้เป็นครั้งแรกถึงขี้ถึงเยี่ยวมันจะทะลักออกไปก็ให้มันทะลักออกไปเลยเราจะซักเองออกไปออกไปซักไปล้างเองตอนเช้าเออแต่สมัยเราเป็นเด็ก พ่อแม่ของเรายัางล้างให้เราได้แต่นี่เราใหญ่แล้วนี่ยเออมันจะทะลักมันออกไปให้มันออกไปเลยถ้าบอกเออถ้าปวดปวดจะถ้าปวดหนักเราจะออกไปถ้าปวดเบาจะออกมันจะเป็นปวดปวดหนักปวดเบาทั้งคืนเออเพราะว่าดูแล้วจะไม่ให้มันปวดเออก่อนนั่งเออถ้ามันจะนั่งมันจะออกอยไมันออกเลยนี่แหละตรงตาท่านขนาดนั้นนะขนาดสถาญาติโยงลูกหลานอันนี้ฟังเป็นตัวอย่าง ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ว่าลงตาในท่านแสดงทำพระท่านพูดให้เป็นตัวอย่างสําหรับพวกเราจากนั้นท่านก็นั่งทั้งคืนเลยสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดบังคับเออพอที่สุดพอถึงสว่างพอได้อารุณสว่างนะเออสว่างเละได้ตามกําหนดอาจารยก็ลุกเลยเออพอลุกอาารยก็งอิ้งผึ่งเลยแต่ว่าเพราะว่าขามันเป็นเน็บนะ่ะเออขามันตายหมดแล้วเออพองอิ้งผนะึ่งเโอ้ตาย พอต่อมาแล้วก็เลยพอกว่าที่ขยับขาได้ขึ้นมาได้แตจากนั้นก็สองสามวันแต่ไม่ใช่นั่งทุกวันนะบางสองสามวันสี 4, นนห้าวันนั่งครั้งนึงห้าหกเจ็ดวันนั่งครั้งนึ่งเวลานั่งออกจากสมาธิทีนี้ฉลาดขึ้นมานะะเอามือจับขาออกตัวเองขยับออกก่อนพอขยับขาทั้งสองข้างยืดยืดตรงแล้วก็กระดิกนิ้วเท้า กะดิกนิ้วเท้าเออมันเลือดลมมันวิ่งแล้วเออยังค่อยขยับถนวนนี่แหละแต่วันครั้งแรกเนี่ยพอลุกขึ้นมางายผึ่งน่ยเนี่ยอันนี้ก็คือองคหลวงตาที่ท่านพูดในหลายละเอียดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาออจากนั้นใจผมองค์หลวงตาท่านก็เป็นสมาธิอย่างมั่นคงจากนั้นท่านก็ไปกราบหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นถามว่าเป็นไงมาหานั่งภาวนาโอ้จิตใจสงบดีมากกระผม นั่งทั้งคืนก็ได้ครับผมเฮ้เวลามันสงบแล้วนํามาพิจารณาถอนมาพิจารณาทางด้านปัญญานะเอถอนออกมาทางวิปัสสนานะจะไม่ทําให้มันสงบอย่างนั้นไม่ไปเกิดไม่เกิดประโยชน์หรอกเหมือนกับเราไปนอนอยู่ในห้องแอร์อย่างนั้นล่ะมันไม่ได้ทําการทารํางานผลของงานจะเกิดมาได้อย่างไรเอถ้าว่าเราไม่ทํางานนะออกพยายามบังคับให้มันออกนะให้นํามาพิจารณา ให้ออกทางวิปัสนาพิจารณาร่างกายนั่นแนหะเกษาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังให้พิจารณาเกษาเป็นยังไง่ผมขนเป็นยังไงนับหนังเป็นไงเนื้อเป็นไงเอ็นกระดูกเยะนะื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าให้พิจารณาเหมือนกับอาจารย์ใหญ่เหมือนกับพวกนักเรียนหมอนักเรียนแพทย์ชําแหละอาจารย์ใหญ่ลักษณะนะ่ะให้เป็นกองเป็นกองเป็นกอง เอออันไหนเป็นอะไรเอ่อเพราะว่าใจของร้อนมันหลงมันหลงร่างกายไม่ใช่หลงอย่างอื่นหลงร่างกายว่าร่างกายเขาเองแต่อยู่โชคฟ้าดินชะลายตายไม่เป็นเอ่อแล้วก็เนี่ยพอหลงร่างกายตัว น, นั้นก็ห ล, ลงร่างกายของคนอื่นจากนั้นก็หลงลาบหลงยศรงสรรเสริญหลงเอ่ออะไรไปหมดทุกอย่างมีแต่ความอยากอยากไนงะเพราะมันหลง ในเมื่อมันไม่หลงร่างกายแต่คณะร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรคณะร่างกายยังเ อ, อแปรสภาพเป็นดินน้ำลมไฟ เ, เป็นอนไรจังทุกขังอนัตตาเนี่แหละให้พิจารณาร่างกายแต่หลวงตาท่านบอกมันถอนออกจากสมาธิมันถอนไม่ขึ้นเพราะเกตมันติดสมาธิมันเหมือนกับเราไปนอนอยู่ในห้องแอร์อย่างนั้นน่ะแต่ในบอ ก, บอ ก, บอกไปไ ป, ไปออกไป เทำงานนะมันก็ออกไปพอไปถูกอากาศร้อนๆเท่านั้นเองไปทํางานหนักเหงื่อแตกเท่านั้นไม่เอาแล้วมันก็คิดถึงแต่ห้องแอร์กลับมาห้องแอร์เองเอไปห้องแอร์ก็นอนสบายในยห้องแอรมันเป็นสมาธเิเพราะจิตที่เป็นสมาธินี่ว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอย่างที่หลวงปู่บุมาท่านพูดนะัตติสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจากนั้นพอเข้ามาแล้วมันก็ไม่ยอมออกเออพราะติดในสมาธิหลวงปู่มั่นท่านก็ถามไปไงมหาภาวนามันออกหรือยังยังครับผมมันไม่ยอมออกเลยมันติดอยู่ในสมาธิมันอยู่มันติดุกในสมาธิหลวงปู่มั่นกระ น, นาบอะไรตัเออเสียงแข็งอะไรตัวไไปอยู่ในสมาธิได้ยังไงสมาธินะ่เหมือนกับ เนื้อติดในไรฝันท่านันเองจะหาความสุขได้ที่ไหนต้องถอนออกมาพิจารณาจึงจะเห็นผลเข้าใจไหมต้องถอนบังคับให้ออกเท่านั้นละ่ะหลวงตาท่านก็ไปศึกษาอยู่แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างไรท่านต้องปฏิบัติตามจากนั้นองค์หลวงตามหาบวัวท่านก็ออกถอนออกมาถึงพอถอนออกมาแล้วมาพิจารณาพอพิจารณาเท่านั้นโอ้โห เออทำไมแต่ก่อนเราเป็นน อ, อนตายอย่างเนึงห้องแอร์ได้ยังไงในเมื่อออกมาทำงานเท่านี้เห็นเงินเป็นกอบเป็นกำเท่านี้เห็นผลขึ้นมาอันนั้นก็เป็นผลอันนี้ก็ได้อันนั้นสมบัติเข้ามาหาตัวเองมากมายมหาศาลความรู้สึกนึกคิดออปล่อยวางในจิตในใจเห็นได้ชัดเลยโอ้ใจใจมันหลงอย่างนี้เองหนอนแต่ได้พอจะนะั่พอมาพิจารณาเท่านั้นเท่านี้ มั่นใจมันออกสินะเตลิดเปิดเปิงตลังเปิลเปดจนเอาจนนอนไม่หลับตาแข็งเลยสินะเออใครเข้ามาตาแข็งคนตาแข็งก็ดูด้วยคนตาแข็งจะเป็นบ้าใช่ไหมล่ะเออคนตาแข็งเลยเออเขาไปโอ้มมพ่อแม่คุยจาย์กับผมเอาจิตส่งออกไปนะพิจารณาวิปัสนาแล้วมันออกไปมัออกเตลิดเปิดเปิงจะ น, นอนไม่หลับกับผมจนไม่มีเวลาพักผ่อนเลกลางวี่กลงวันก็ น, นอนพิจารณามป็นแต่ค้นคิดอยู่อย่างเดียว เออคนคิดหาหลักเหตุผลอยู่อย่างเดียวหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าต้องบังคับนะให้เข้าสมาธิอีกให้ได้ถ้าไม่เข้าสมาธินะ่ะปล่อยจิตปล่อยใจอรกนั้นะเป็นบ้านะต้องเป็นต้องเข้าสมาธินะเออต้องบังคับให้มันเข้าสมาธิให้ได้นะเข้าใจไหมจะไปบอยนะไปตลอดเปิดเปลืออย่างนี้นไม่ได้นะเนี่ยฟังเอาดิคณะสัทธาญาติโยม ออยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนําสั่งสอนอย่างนั้นจากนั้นท่านก็หลวงปู่มั่นก็บอกให้ภาวนาลงตากับโอใช่บางคับีนสิถึงจะมันจะออกไปขนาดไห น, นบางคับให้อยู่กับพุทโธเออเหมือนกับเราภาวนาครัง้ ง, งแรกนั่นนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้นบางคับพอในสู่ก็เข้าสมาธิได้พอเข้าสมาธิได้จานั้นก็นั่นแหละท่านก็สอนว่าเมื่อเข้าสมาธิแล้ว พอส้มควรแล้วพักผ่อนแล้วออกไปพิจารณาในเมื่อพิจารณาพอกพอพักผ่อนมันเหนื่อยมันล้าแล้วกลับเข้ามาสมาธิสรุปแล้วก็คือสมาธิกับวิปัสสนาต่างกลัมต่างวาระในเมื่อเราเไปทำงานทำงานเอามีดฟันถางป่าไดา้ย้าจากอุตรลดเลยเพราะในสุดมีดมันหมดความคมใช่แล้วเหนื่อยก็เหนื่อยใช่ เราก็ยังฟันอยู่อย่างนั้นแหละหัวฟัดหัวเวียงอยูง่งันอ่ะงานมันก็ไม่ได้มันงานก็ได้อยู่แต่ไม่เป็นชิ้นเป็ น, น, น อ, อันเอจะเปะส ป, ปะไปเรื่อยแต่เมื่ อ, เ, อ, อเราเหนื่อยเหนื่อยเสร็จแล้วก็กลับมากับฝนมีดผมมีกับพักพอดซะก่อนกินข้าวกินน้ําเอากระแรงซะก่อน อ, อพอกลับไปคราวนี้มีดก็คมกําลังเราก็มีทางญาติมันก็เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นมาได้ นี่แหละวิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมให้พวกเราคณะธรรญาติโยมโลูกหลานให้ฟังเอาไว้ว่าสมัตธรคือทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งวิปัสสนาก็คือทำพิจารณากันกรองไตรตรองหาเหตุและผลในการค้นคิดเพราะใจของเราใจของมนุษย์เนี่ยมนุษยชาติทั้งหลายแหละหลงร่างกายเพราะนั้นพระพุทธเจ้า พระกฤติสมเด็กฤีบวชเข้ามาในพุทธศาสนาท่านจึงให้พิจารณาให้กรรมาฐานห้าเป็นเบื้องตน้นว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจและให้ย้อนอีกตะโจทันตาหน้าขาโลมาเกสาเอานี้เอาวันนี้เพียงแค่นี้พ อ, เ, อ, อเพราะว่ามีเวลาน้อยท่านให้กรรมาฐานหาจากนั้นมาอุปชาอาจารย์คูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้ค้นคิดดูนะเมันไม่ใช่ว่า มันมีนั่นนะเจสาโลมานขาทันตาตาโจเจสาผมโลมาขนขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเจือในกระดู ก, ก, ดกแย <acy> กส่วนแบ่งส่วนของร่างกายจากนั้นก็แยกส่วนแบ่งส่วนของกระดูกอีกให้เป็นกองๆให้เป็นโซ น, นให้เป็นนั่นแหละให้รูซิวาผมเป็นเราใช่ไหมขนเป็นเราใช่ไหมเล็บเ ป, เป็นเราใช่ไหมหนังเป็นเราใช่ไหมกระดูกเป็นเราใช่ไหม มันไม่ใช่เราเท่านั้นอันนั้นมันเป็นส่วนแต่เมื่อรวมตัวเข้าไปเป็นรูปร่างกลางตัวขึ้นมาแล้วคือตัวของเราทีนี้เราก็หลงในตัวของเราแต่อีกสักวันหนึง่งฮะร่างกายของเราเนี่ยจะต้องแตกไปตามสภาพของมันเนี่แหละในร่างกายของเราเนี่ยถ้าจะเป็นถ้าถ้าใครก็ตามจะพิจารณาเป็นธาตุก็ได้ธาตุคือธาตุสี่ดินน้ำํำลมไฟพระถวีธาตุคือธาตุดิน อาโปธาต์คือธาตุน้ําเตโชธาต์คือธาตุลมเตโชธาต์คือธาตุไฟวาโยธาต์คือธาตุลมนี่แหละอันนี้คือร่างกายของเราเนี่ยมีธาตุสี่อยู่ในตัวของเราสรุปแล้วก็คือใจของเราเนี่ยเป็นผู้รู้คือตัวนามธรรมมาครองธาตุสี่มาอยู่ในธาตุสี่เมื่อครองไปครองมาครองมาครองไป เหมือนกับคนสี่คนใช่ไหมไม่เหมือนคนคนเดียวนะถ้าขนาดคนคนเดียวจะคิดคิดแล้วคิดอีกคิดดีคิดชั่วคิดโมโหคิดใจดีคิดรักคิดโกรธคิดโลภคิดหลงก็ยังมีในใจนะแต่นี่ธาตุสี่อยู่ในร่างกายของเราบางทีมันก็เกี่ยงกันเ่อธาตุดินมันก็เอ้ยาในี่เป็นใหญ่กว่าเพื่อนทั้งหมดในธาตุแต่ธาตุน้ำเอ้ยที่ใหญ่กว่าเตอะ ถ้าไม่ปล่อยน้ําเข้าไปกระดูกมันจะอยู่ได้หรือแต่ธาตุลมก็เออถือจุูงเจ้าจิอยู่ก็เถอะนะถ้าข้าปิดจมูกเสอย่างเดียวสูเจ้าจะอยู่ได้แล้วข้าไม่ลมไม่ปล่อยลมเข้าไปธาตุไฟก็เหมือนกันถ้าข้าไม่ปล่อยความอุ่นเข้าไปสูงเจ้าจิตอยู่ได้ไว้ทั้งทั้งสามธาตุนี่แหละคือสรุปแล้วก็คือในร่างกายของเรามีมีธาตุสี่แต่พยาจิตราชคือตัวผู้รู้คือดวงใจเนี่ย มาครองธาตุสี่เออีกสักวันหนึ่งธาตุสีมันแตกสามัคคีกันเมื่อไรเมื่อนั้นละ่ะพยาจิ ต, ตลาดหรือว่าจิตของเราตัวผู้รู้ตัวนึกคิดของเราเนี่ยวิ่งออกจากร่างกาย ไ, ไปว่าร่างกายหมดสภาพตายนี่แหละทุกคนเป็นอย่างกันเพราะนั้ น, นขอให้พวกเราทุกๆท่านอย่างที่หลวงพ่อได้พูดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ องหลวงตาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะว่าเรื่องกิตตภาวนาต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแต่พวกเรานี่แหละกระจกบานที่สมก็คือหลวงปู่ทัยของพวกเราที่แนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนมากมายหลายอย่างหลายรสหลายชาติที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาจนเป็นที่พอใจประทับใจในการแนะนาสั่งสอนขององหลวงปู่ของเรา จากนั้นพวกเราก็ได้นํามาประพฤติปฏิบัตินํามาภาวนาปรปับปรุงกายวาจาใจของเราได้เห็นท่านได้ทําให้ดูอีกต่างหากหนังง่งอย่างไรปฏิบัติอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ที่พวกเราเห็นต่อหน้าต่อตาของพวกเราเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอ ให้พวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาพบนี้ฉาตินี้นะว่า น, นับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากนะหลวงพ่อว่านะพวกเราท่านทั้งหลายนะไม่ใช่แต่พวกท่านทั้งหลายหลวงพ่อเองเนี่ยหลวงพ่อเองนับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยพื้นแผ่นดินไทยเป็นพื้นแผ่นดินที่สมบูรณ์บริบูรณ์เออที่ว่าปฏิโลประเทสวาโซจาร์อยู่ในประเทศอันสมควร คือแผ่นดินก็ไม่ไหวพายุก็ไม่มากแต่เปรียบเทียบ ก, กับต่างประเทศของเขาเประเทศต่างประเทศของน้ําท่วมกว่าท่วมจริงหนาวกว่าหนาวจริงจริงร้อนกว่าร้อนจริงๆอย่างประเทศอินเดียร้อนจนถึงคนตายเมืองไทยก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถึงน้ําท่วมปีห้าสี่ก็ใช่บันน้ําท่วมเขานั้นไม่ใช่ท่วม เ, เพราะอย่างอื่นเพราะคนเจตนามิด่ดีคนในชาติ ทะเลาะกันก็เกันน้ำไม่ให้น้ำไปไม่ให้น้ำมาขึ้นไปนู่นให้ไปออกทางตะวันออกเออทางจังหวัดระยองแะสเซิงเสามันจะไปได้อย่างไงนัดคัดน้ําขึ้นเขามันก็ท่วมเลยสิเอ อ, อ น, นั้นแปลว่ามันผิดธรรมชาติแต่ตามปกติมันไม่เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนแต่หลวงพ่อเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยอายุถึงเจ็ดสิบเ็ดปีนะลูกหลานปีนี้นะไม่ใช่พระน้อยผนุ่หลวงพ่อก็ฟังดูเห็นดูดู ว่าไม่เคยน้ำไม่เคยท่วมกรุงเทพถึงขนาดนั้นแต่ปีนั้น5ห้าปีห้าสิบสี่ปีหลวงตาจุติตนิรพานมันน้ำท่วมจริงๆปีเดียวนั่นแหละที่มันเสียหายอย่างมากเพราะเหตุไรเพราะคนในชาติพูดอย่างนั้นได้และอย่างอื่นแรงก็ไปแแรงมากสรุปแล้วก็คือพวกเราเป็นผู้มีบุญเกิดในประเทศไทยอยู่ในปฏิรประเทสวโซจะปบเพจะกะตะปุญญาตา พวกเราคงได้ได้ทำบุญไว้ในอดีตปุปประชาในอดีตชาติปุปเพจา ก, กะตะ บ, บุญญาตาพวกเราคงได้ทําบุญไว้ในอดีตชาติเออย่างพวกเราทําบุญในวันนี้แหละมากับทำบุญกับครูบาอาจารย์โอสาตูเนอร์ผู้กล้าเกิดมาพบใดชาติใดถ้าว่าผูกขาดยังไม่พ้นทุกในวัฏสงสารยังไม่ถึงพระนิพพานเออยังเวียนไหวาตายเกิดอยู่ขอให้ข้าพเจ้าอยจะได้ทุกได้ยาก อยู่ในประเทศที่มีอาหารการบริโภคสมบูรณ์และก็มีเจ้าฟ้าเจาเ้าแผ่นดินผู้ปกครองประเทศชาติเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีคือเราตั้งความปรารถนาในอดีตชาติเพราะเราจะได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยถ้าว่าพวกเร า, เาไม่มีบุญนะอาจจะไปเกิดแถวแอฟริกาท้องโตๆหั ว, ว, ว, ว, วหใหญ่ๆขารีบๆตัวดำๆและไม่มีเสื้อผ้าอีกต่างหาก อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นทุกวันเออมันมีมากเหลือเกินเรียวโลกไปนี้คิดว่ามันจะเจริญรุ่งเรืองทั่วถึงกันละไม่ใช่นะมันจึงมีอีกมากเลยในมุมในมุมโลกของเราถ้าพวกเราทํากรรมไม่ดีอาจจะไปเกิดอย่างนั้นก็ได้เเผื่อๆ อ, อาจจะตกนรกหมกไหม้เป็นสัตว์ที่ไร้าตอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะบาปกรรมตามสนองกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดจงเป็นยกุกเป็นพุทธภาสิต นี่แหละอันนี้ก็ปุเพก ะ, กะตะปุญญาตาอัตสัมมาปณิเตในเมื่อเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเราควรตั้งตนไว้ชอบอย่าประกอบความชั่วให้ตั้งประกอบแต่คุณงามความดีเพราะเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็เห็นรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักพ่อแม่ปูย่ย่าตายายวัยยวุฒิคุณนวุฒิผู้มีประคุณสำหรับ พวกเราเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่มีพระคุณที่ปกป้องประเทศชาติมาตั้งแต่ดึกดําบันตั้งแก่พ่อขุนศรีอินทร athi พ่อขุนรามกําแหงกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินที่พวกเราได้อยู่สุขสบายทุกวันนี้ก็พ่อเนี่ยเพราะเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ตระกูลนี้แหละเป็นผู้ดูแลปกป้องประเทศชาติให้พวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็ได้บวช ตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนได้สําเร็จมักสําเร็จผลกระดูกของท่านก็เริดกลายเป็นพระธาตุหลายหลาองค์แนวแนวสายของหลวงปู่มัน่นตั้งแต่หลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสารพวกเราก็มั่นใจว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเป็นพระหรหัสแล้วก็ท่านได้เป็นพระหรหัสเราเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะนี่แหละเพราะท่านเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาท่านได้ประพฤติปฏิบัติท่านก็ตั้งตนไว้ชอบเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมา ในยุคนี้สมัยนี้ควรจะตั้งตนไว้ชอบไม่ควรสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีคิดทําพูดในสิ่งที่ดีดีรู้ไหมดีในสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทําอย่าพูดพูดเข้าไปแล้วแตติดคุกติดตารางเพราะคำพูดของเตีงก็มากตัวมากเดียวนี่จนเข้าเข้าตารางไม่วัดไม่ไหวการกระทําก็เช่นเดียวกันแต่มันต้องคิดซะก่อนแต่คิดคิดคานี้น่ะ กฎหมายยังไม่มีโทษนะแต่หลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีโทษนะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะให้โทษลนะเพียงแต่คิดเนะ่คิดโลภอยากจะได้ของเขาคิดพยาบาทปลองร้ายเขาคิดเห็นผิดอยากทานองครองทำเพียงคิดเท่านี้นะทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองจิตใจของเราไม่ผ่องใสจิตใจของเราเป็นบาปอักุศล ในเมื่อจิตใจเป็นบาปอคุศลสการกระทาออกไปก็เป็นบาปอคุศลสการพูดออกไปก็เป็นบาปอคุศลสเพราะคิดไม่ดีซะก่อนการกระทาจึงไม่ดีการพูดจึงไม่ดีเพราะนั้นให้พวกเราจะรู้ได้ว่าการคิดไม่ดี เ, เราจะรู้ได้ยังไงเนี่แหละถ้าจิตใจขอเราฝึกสมาธิอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวกาหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วนะเราจะรู้ได้ว่าใจขณะนี้เราคิดดีหรือเราคิดชั่วเราคิดยังไงเราจะรู้สติของเราทันใจของพวกเราเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งตนไว้ชอบหอยอัตตะสัมมาปณิธิให้ตั้งตนไว้ชอบถ้าคนตั้งตนไว้ชอบแล้วในชาตินี้ชาติหน้าไม่ต้องสงสยัยบุญกุศลจะต้องส่งเสริมให้พวกเรา ไปสู่ความสุขความเจริญเป็นอนันตาการเกิดมาพบรายชาติใดก็มีแต่ความพาศุขสุขกายสุขใจเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยที่พบพระพุทธศาสนาเจ้าฟ้าเจ้าเป็นิชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีพระคุณและก็พร้อมกันอาหารการบริโภคของเราก็ไม่อดไม่อยากเพียงแต่ว่าพวกเราเด็ทิฏฐิมานะ ทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความแข็งกระด้างทําให้ประเทศชาติปั้นเมืองพุ่นวายอยู่ทุกวันเลยเพราะนั้นให้พวกเราถึงจใาาใาาะใครก็ตามทิฐิใครก็ตามมานะใครก็ตามจะแข็งกระด้างยังไงก็ตามเราต้องอยู่ในหลักหลักเหตุและหลักผลทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเอถ้าว่าเราทําชั่วจะดีได้อย่างไรถ้าเราทําดีแล้วจะชั่วได้ยังไงเหมือนกับไฟเนี่ยเป็นไฟนี่คือหลักเหตุผลเป็นของกลางใครทํา จับในที่รับจับในที่แจง้งจับในที่ไหนๆก็ร้อนทางนั้นเพราะมันเป็นไฟน้ำแข็งก็เหมือนกันจับน้าที่ใดมันก็เย็นพื่ออะไ เ, เพราะมันเป็นน้ำแข็งนี่ก็เหมือนกันการกระทาความชั่วทำนัที่ใดก็ตามมันเสียหายเพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านนะได้เกิดมาได้พบพุทธศาสนาประกอบคุณงามความดีให้เล่งให้ภาวนาอย่างที่หลวงปู่บุญมาที่ท่านพูดนะ ไม่มีอันไหนที่จะดียิ่งกว่าการทำจิตใจให้สงบภาวนา น, น่แหละทำเมื่อจิตใจของเรามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองออในศีลในธรรมสุกกายสุกใจนั่นพุทธภาสิ์ที่หลวงพ่อไ ด, ด้พูดว่าขยะวยะธรรมมาสังขาราอัปมาเดนะัมปาเดทาติแทงรังรังไ เป็นพุทธภาษิต ท, ที่พระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะปรินิพานในวันเดือนหกเพ็นนะพระองค์ตั ด, ตดว่าทุกกรรพร ส, ส, ส, สุสงทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะขยะวยธรรมมาสังขาราสังขารร่างกายอีกไม่นานเราจะทิ้งอยู่แล้วนี่เอเราจะปล่อยทิ้งแล้วร่างกายสังขารขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด อันนี้คือพระองค์สั่งเสียพวกเราพุทธ บ, ทธบริษัทสี่จากนั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่ตรัสอะไรอีกเลยเจนเข้าสูน่นิพพานกระทั่งพวกวันนี้เนะี่ยเป็นวาจาอันเป็นวาจ า, า, จาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่ว่าขยะวยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอัออปมาเดนะทัมปาเดท่าติท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ตนกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาทําวันให้ประโยชน์ตน มาไหว้พระรักษาสิ้นมาปฏิบัติธรรมให้ทานนี่แหละเรียกว่าประโยชน์ประโยชน์ท่านกันเน่ ย, ยช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ใครบ้างตกทุกข์แต่ยากพอจะช่วยเหลือเจอจานไดเ้เราอยู่กับพ่อกับแม่ก็ดูช่วยดูแลพ่อแม่ของตนเองเอสามีภรรยาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยน้ําจิตน้ําใจอยู่ด้วยความเมตตาต่อกันอันนี้ล้นแล้วแต่มีความสุขทางนั้นแหล ะ, เ, ะเพื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ทำกิจธุระของท่านํำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมอระดกเมื่อท่านร่วงรับไปแล้วทำบนอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านเนรล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน อ, อ, อย่าตั้งอยู่ในความประมาทวันนั้นวันนี้อาตมาภาพเองหลวงพ่อเองได้กล่าวสัมโมทนิยกถาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอานาจคุนภาษี รันตนารัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพบุญบารมีของหลวงปู่อนุภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์อนุภาพบุญบารมีของหลวงปู่ไทยของพวกเราที่ท่านได้บำเพ็ญมาตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงป่านนี้แหละขอให้มาคุ้มครองคณะทศไทาญาติโยมลูกหลานทุกคน